อันดายังพุทธาพิคิติงการมาเสียขุททวาราหันดาวารตาติคุณาปิยุโต ร, ราพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตาคุณเป็นตน สุธาปิญนากรุณาหิสมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพยานและพระกรุณาันบริสุทธิ์เดชโยสุชนะดังกมรังวสวโร พระองค์ใดทรงกระทาจนที่ดีให้เบิกบานดูดอาธรรม์บัวให้บานวันธามมหังธรรมาระนางเสียราสัชิเนนทางข้าไปเจ้าว่ายพระนาีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นา ด้วยเสียงกล่าวพูทถ้ยยสาพกานินางสารานาเกมมุทตามราอุตเจ้าวพระองค์ได้เป็นสารานาอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ป่าธรรมนุสติธานวันธะมิทังเสียเรนังข้าไปเจ้าว่ายพระไปเจ้าพระองค์นั้นอ่านเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ดีหนึ่งด้วยเสียงกราวอุัสาหิสัมมิทาโสวา อุทโทเมสานิกิสโรอาปเจ้าเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าปเจ้าอุทโทดุขาสาคาตาจาวิทาตาจานิตาสเม รระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าบูด า, าหังนิยานเทมิสาริรันชีวิตรันจีทางอามพระเจ้ามอบกายเทวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า วันทานโดหังจริสามีวุฒาเสวะสุโคทิตาอาภเจ้าูว่าอยู่จากพระพุทธามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาฏิเมสระนางอันยังอุโทเมสระนางวรัง ารณาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาระนะันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเดนะศาสจาวาเชนาะวาไทยอย่างสาธุศาสเนด้วยการกล่าวคำสัธนี้ อาจชาบึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาัวทางเมวันธมาเนนายังบุญยังปสสุตังอีทาอาพชาผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวัญขวายบุญได้ในบัดนี้ จาเภปิอันตรายอาเมมาเหสุงกันชเติชาชาอันตรายทางปวงอย่าได้มีแก่ข้าพรเจ้าด้วยเด็แห่งบุญนั้นครับอายเนวะชายวะเจตสาวะ ก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีผู้เทกุกามบากาธรรมยายมยำน้าดีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าผู้โทปฏิคารฮัตตุอาเจยันต์ธม ขอพระพุทธเจ้าจงโง่ซึมโทษ่วมเกินอันนานการตาเรสัวริตรงวาพุทธเพื่อการสำรวมละวังในพระพุทธไดนการต่อไป